จเจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10เมษายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาทำบุญมาสร้างกุศล ด้วยศรัทธาในพระรัตนตรยัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงสาวกทั้งหลายเพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้รู้เป็นผู้ประเสริฐท่านเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยให้พวกเราได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ทำอันประเสริฐแล้วนำทำอันประเสริญนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อสัตว์โลกจะได้มีทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นพระพุทธเจ้านี้ เป็นบุคคลที่สำคัญมากที่สุดสำหรับพวกเราเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้มาประกาศพระธรรมคำสอนพวกเราก็จะไม่รู้เรื่องของเราพวกเราจะไม่รู้ว่าตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่ต้องไปใช้บุญใช้กรรมใหม่แล้วก็พอตายอีกก็จะต้องกลับไปเกิดอีก จะเกิดตายเกิดตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุนดกาบใดที่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สรรโลกพวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีวาสนามากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระ อ, อริยสงฆ์สาวกส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระ อ, องค์ทรงสเสด็จ ด, ดับขันจากพวกเราไป 2,500 กว่าปีแล้วและพระ อ, องค์ก็ทรงตัดไว้ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบนี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจึงไม่ได้อยู่ปราศจากศาสนาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคําสอนอยู่ในใจหน้าที่ของพวกเราจึงต้องเข้าหาพระธรรมคาสั่งสอนด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วพวกเราก็จะได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเรามีธรรมอยู่ในใจ เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสรงตัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมนั่นเองดังนั้นเมื่อเราได้ศึกษาแล้วได้นาเอาไปปฏิบัต เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาภายในใจของเราเราก็จะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเพราะสิ่งที่เราเห็นในใจของเรานั้นก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังนั้นพวกเราจึงอย่าไปปฏิเสธ คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าจากพวกเราไปแล้วคำสอนของพระองค์นี้ไม่สามารถที่จะดับทุกขที่จะช่วยให้พวกเราได้มีปัญญาได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเพราะหมดไปกับพระพุทธเจ้าความจริงนี้นี่ไม่ใช่เป็นความจริง ความจริงแล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกอาการลิโกก็คือไม่มีวันเสื่อมไปตามเวลาถึงแม้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้จัดสอนไว้ถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วก็ตามแต่คำสอนนี้ยังมีประสิทธิภาพเหมือนในสมัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจักออกจากพระโอษของพระองค์นี่คือธรรมธรรมชาติของพระธรรมคัมสรของพระพุทธเจ้ามีประสิทธิภาพอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลก็จะมีประสิทธิภาพในสมัยปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่จะทำให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนผิพพานชั้นใด ก็จะมีประสิทธิภาพที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติในสมัยปัจจุบันได้มารู้มรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันข้อนี้พวกเราไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยขอให้พวกเราทุ่มศรัทธาของเราให้แก่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เลย อย่างที่พระ อ, อริยสงสาวุษทั้งหลายได้ทุ่มเทศรัทธาให้แก่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาทุกยุคทุกสมัยเราจึงไม่ปราศจากพระอรหันต์พระ อ, อริยสงสาวกที่พวกเราสามารถยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้เพราะท่านไม่มีความลังเลสงสัยในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็น้อมเอาเข้ามาปฏิบัติทางกายวาจาใจจนสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้จนถึงทำขั้นสูงสุดแล้วก็มาเป็นอริยสงสารกเป็นพระรัตพระสังฆราตนะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ตามลำดับพวกเราจึงควรที่จะ ยึดตัวแบบฉบับตัวอย่างของพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ท่านเมื่อก่อนที่ท่านจะเป็นสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่เนื่องจากท่านมีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทาดีละบา ให้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำจิตใจให้สงบและเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายจนทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกกันขึ้นมา พวกเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระอริยสงสารโลกได้รับกันก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันเช่นเดียวกันนี่คือความสำคัญของศรัทธา คือความเชื่ออย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปฟังคนที่ไม่รู้คนหูหนวกตาบอดพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระศาสนาที่ไม่ใช่เป็นความจริงขอให้เรายึดหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักสวากขาตัธรรมสวากขาโตภะวะตาธรรมโมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตามความเป็นจริง สิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องผลของบาปคือนรกเรื่องผลของบุญคือสวรรค์เรื่องของกิเลสตัณหาที่ทำให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นและเรื่องของมรรคคือ การศึกษาและการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระ พ, พ, พ, พ, พุทธเจ้าที่จะนำพาสัตว์โลกให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือหลักธรรมคำสอนที่พวกเราควรที่จะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่น ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราศึกษาและให้เราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้บรรลุมักผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับปรมังสุขขังคือความสุขของพระนิพพานที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปได้ขอให้เราเชื่อตรงนี้อยู่ คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้ส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่ต้องไปกังวลให้มากจนเกินไปใครเขาจะพูดอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเรานี้ต้องอยู่กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปคว้ยแควอย่าไปท้อแท้อย่าไปหลงประเด็นประเด็นของเราอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติ และอยู่ที่การบรรลุธรรมและทาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องและไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาสามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เสมอขอให้เราเข้าใจตรงหลักนี้แล้วพยายามปฏิบัติตาม ท่านต้นท่านก็สอนให้เราทำความดีทำหลายให้ถึงพร้อมเช่นการทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งการทำความดีนี้ก็ทำได้ด้วยหลายด้วยหลายเหตุประการด้วยกันเหตุที่เราทำก็มีเช่นทำด้วยความบูชาเราบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง เพราะเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสเราก็ทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาทำแล้วประโยชน์สุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเราจะทำเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณก็ได้ด้วยความกตัญญูกะตะเวทีสำนึกในพระคุณของผู้ที่มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีบิดามารดาก็ดีหรือผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งหลายก็ดีเราก็สามารถทำบุญกับท่านได้มีอะไรก็ให้ท่านด้ช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือทำประโยชน์อะไรให้กับท่านได้ก็ทำประโยชน์ไปอย่างนี้เราก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น ดีขึ้นเพื่อพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สูงกว่านี้ก็คือการละบาปการไม่ทำบาปถ้าเราทำความดีอยู่เรื่อยจิตใจของเรานี้จะมีความเมตตากรุณาจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่คิดพยาบาทผู้อื่นจะมีแต่ความปรารถนาให้ผู้อื่นนั้น มีความสุขเมื่อจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลแบบนี้แล้วการทำบาปก็จะเป็นสิ่งที่ยากถ้าเราไม่ได้ทำความดีทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองหาความสุขให้กับตัวเราเองหาประโยชน์ให้กับตัวเราเองเราจะเป็นคนใจแคบ จะเป็นคนที่ร้อยความเมตตากรุณาจะจะทำให้เรานั้นไม่ทำบาปได้ยากเพราะเวลาที่เราอยากจะได้อะไรอยากจะทาอะไรถ้าเราไม่สามารถทำด้วยวิธีที่สุจริตได้เราก็จะทำด้วยวิธีทุจริตทันทีเพราะอานาจของความอยากเมื่อครอบ ง, งำจิตใจแล้ว จะทำให้ไม่มีความละอายบาปจะทําให้ไม่มีความกลัวบาปมีแต่ความต้องการที่จะได้สิ่งที่ตนต้องการเท่านั้นไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องต้นเราต้องทำความดีก่อนเราต้องเสียสละเสียสละปะโยชน์สุขของเราเพื่อ ประโยชน์สุขของผู้อื่นบ้างเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้มากเกินความจําเป็นนี่ก็เป็นประโยชน์สุขที่เราสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้อย่าไปหวงแหนไว้เก็บไว้เพราะจะทําให้เราเป็นคนใจแคบแล้วก็จะทําให้เราเป็นคนมีความทุกข์พราะต้องคอยหวงคอยห่วงคอยวิตกคอยกังวล กลัวว่าสมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่นี้จะหายไปถูกลักขโมยไปแล้วก็เวลาเกิดมันหายไปจริงๆก็จะเกิดความว่าวุ่นขุ่นหัวเกิดความทุกข์ใจเกิดความเครียดแดค้นโกรธเกืองในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นผู้ให้อยู่เรื่อยๆ เวลาให้แต่ละครั้งมีเราจะมีความรู้สึกสบายใจสุขใจถ้าเราให้ด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์คือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รับให้เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์สุขจากเราให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความกบุณาเวลาที่เราสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองไป เราจะไม่รู้สึกโกรธแค้นโกรธเคืองหรือเสียอกเสียใจเรากลับคิดว่าเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเจตนามีความตั้งใจก็ตามแต่เมื่อมันเสียไปแล้วจะมาเสียใจทำไมไม่ควรเสียสองต่อเสียต่อเดียวก็พอเสียของแล้วอย่ามาเสียใจ คนฉลาดจะไม่เสียใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะจะมองมุมกลับว่าหมดภาระไปไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาทุกข์กับสมบัติเล่านั้นแต่คนง่จะไม่มีปัญญาจะไม่เห็นถึงความสุขหรือความหมดความกังวลจากการที่ได้สูญเสียสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ไปกับ มาร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจโกรธแค้นโกรธเคืองเพราะมีกิเลสตัณหาคือความอยากที่จะได้ขืนมานั่นเองโดยไม่คำนึงถึงสภาพจิตใจของตนว่าอยู่เป็นอย่างไรกำลังตกนรกกำลังถูกกองทุกข์โ h o โกระหน่หนำอยู่แทนที่จะใช้ปัญญาดับความทุกข์เหล่านี้ ด้วยการใช้สัมมาธิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นว่าสิ่งที่เราเสียไปนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราไปทำบุญให้ทานนั่นเองนะเวลาที่เราทำบุญให้ทานอย่างวันนี้ทำไมเราไม่ทุกข์ใจทำไมเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่คิดอยากจะได้คืนมานั่นเองเราให้ไปแล้วเรากลับมีความสุขใจเบาอกเบาใจ พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราให้นั้นได้ให้ผู้อื่นเขามีความสุขนั่นเองพอเรารู้ว่าผู้อื่นเขาได้รับความสุขเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือความสําคัญของการทําความดีของการเสียสละของการให้พวกเราอย่าหวงข้าวของต่างๆมากจนเกินไปและไม่ควรมีเก็บเอาไว้มากจนเกินไป คนเก็บไว้เท่าที่จำเป็นก็พอเพราะเมื่อเวลาเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้และเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากของต่างๆที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราเสียสละบริจาคข้าวของต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะได้บุญคือได้ความสุขใจ ซึ่งจะติดไปกับใจของเราเวลาเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอย่างสงบเพราะใจของเราไม่มีความถูกติดอยู่กับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆต่างกับคนที่ไม่ยอมบริจาคไม่ยอมเสียสละทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไปเวลาตายไปเวลาตายก็มีความทุกข์ทรมานใจ เวลาตายไปก็ไปสู่สุคติดังมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งในสมัยพระพุทธการมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์มากมายแต่เป็นคนที่มีความตนันหนีมีความหวงแหนมีความเห็นแก่ตัวไม่ยอมบริจาคทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้อื่นแม้แต่ลูกก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมบอกว่า เอาสมบัติไปฝังกกไว้ที่ไหนเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนบุญก็ไม่ทําบาปก็ไม่ละพอตายไปก็เลยกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเพราะมีความหวงแหนยังมีความปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์ของตนก็เลยได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้าน พอดีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงบินถบาทผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้เนื่องจากพระ อ, องค์มียานที่สามารถเห็นดวงจิต ด, ดวงใจของสัตว์โลกได้สามารถรู้อดีตของสัตว์โลกได้ว่าในอดีตเคยเป็นอะไรเคยทำอะไรมาจึงทรงบรอกกับลูกของเศรษฐีว่าสุนัขตัวนี้ เป็นพ่อของพวกเธอกลับมาเกิดพ่อเขายังรักยังหวงสมบัติอยู่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ดีนะอย่าให้เขาตายไปก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะพาไปขุดสมบัติให้แล้วไม่นานสุนัขตัวนี้ก็ไปขุดสมบัติที่เศรษฐีเคยฝังกลบเอาไว้ลูกๆจึงเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อ ในเรื่องการทำบุญในเรื่องการละ บ, บาในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจึงพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. นี่คือเรื่องที่ปรากฏขึ้นในสมัยพระพุทธกาลในสมัยนี้เราอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องโกหกกรดาเพราะว่าเราไม่มีความสามารถ ที่จะเห็นดวงจิตดวงวิญญาณหรือสามารถเห็นภพชาติของผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรในอนดีตได้เพราะว่าพวกเรานั้นหูหนวกตาบอดทางจิตใจกันนั้นเองพวกเราไม่เคยสนใจที่จะลืมตาหูของใจเราจะไม่สามารถมองเห็นรูปทิพย์กายทิพย์เสียงทิพย์หรือสิ่งต่าง ที่ต้องเห็นด้วยใจได้นั่นเองแต่การที่เราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถไปปฏิเสธได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีเหมือนกับคนที่หลับตาหรือตาบอดหรือถูกปิดตาเขาก็มองไม่เห็นอะไรเขาก็เห็นแต่ความมืดเห็นแต่สีดำพอคนที่ตาดีบอกว่า มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เขามองไม่เห็นเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเรานี้ไม่มีตาในเราไม่สามารถเห็นจิตใจหรือเห็นดวงดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือเห็นกายทิพย์ชนิดต่างๆได้เหมือนกับผู้ที่มีตาใน เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายท่านเหล่านี้ไม่เคยมาทะเลาะกันเลยว่ามีสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามีจริงหรือไม่ท่านมีแต่รับรองกันมาตลอดว่ามีจริงมีกายทิพย์ชนิดต่างๆมีสัตว์โลกมีฐานะที่ต่างกัน อยู่ต่างกันต่างพวกต้องรับผลบาปผลบุญต่างกันไปนี่คือสิ่งที่พวกเรายังขาดยังมองไม่เห็นกันเราจึงต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อความเชื่อที่มีเหตุมีผลไม่ได้เชื่อแบบตื่นมงคลเชื่อด้วยหลักเหตุผลคือเช่นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มีจริงหรือไม่ เราเชื่อได้ว่ามีจริงเพราะว่ามีผู้รับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจํานวนมากแล้วคือพระอริยสงสาวกทั้งหลายนี่เองเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรเหมือนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่พอพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอนสอนให้ผู้อื่นให้รู้จักลืมตาในลืมตา ข้างในให้เห็นสิ่งต่างๆพอเขาปฏิบัติตามเขาก็เห็นตามเขาก็รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงไม่มีพระาอาริยสงสาวโกองค์ใดที่จะออกมาค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่องค์เดียวดังนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่เราควรจะเชื่อได้ว่า มีจริงเพราะมีผู้ที่ได้พิสูจน์แล้วเหมือนกับหมอถ้าหมอรักษาโรคแต่ถ้ายังไม่มีคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากโรคนี้ก็จะยังไม่มีใครจะเชื่อว่าหมอคนนี้รักษาโรคได้จริงหรือไม่แต่ถ้าหมอคนนี้รักษาโรคให้คนไข้หายได้เป็นจำนวนมากแล้วแล้วคนไข้เหล่านี้ก็ไปบอกผู้อื่น อย่างนี้เราก็จะเชื่อหมอคนนี้ได้ว่าเขารู้จักวิธีรักษาโรคได้อย่างจริงๆฉันใดการเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตัดสุ้รรมอันประเส ร, ริฐที่จะปลดเปลื้องให้สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและมีผู้ที่ได้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติ จนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์เป็นจำนวนมากมาแล้วและเป็นผู้ได้สืบทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นผู้มาประกาศมาบอกให้ผู้ที่ยังไม่รู้ให้ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่เราควรจะเชื่อได้เ mm hmm. ชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ปัญหาจึงอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อมากน้อยเพียงไรถ้าเชื่อมากก็จะต้องปฏิบัติมากถ้าเชื่อน้อยก็จะปฏิบัติน้อยถ้าเราเชื่อมากเราก็จะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ สิ่งอื่นๆนั้นเราก็ทำเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเช่นการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่เราจะได้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพก็ควรจะพอแล้วถ้าเราเชื่อว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่ถ้าเรายัง เสียดายยังหวงสมบัติยังหวงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังหวงเพื่อนฝูงยังหวงญาติสนิทมิสหายอยู่เราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เมื่อเราไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะไม่เห็นผลหรือเห็นก็จะไม่พอ ไม่ไม่ประทับใจพอที่จะทำให้เราปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเราก็จะทำพอประมาณเช่นทาบุญไปตามตามอัตภาพตามเวลาเช่นวันพระก็อาจจะทำบุญแล้วก็รักษาศีลส่วนวันอื่นนั้นก็ยังไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลเพราะยังต้องทำเรื่องอย่างอื่นถ้าอย่างนี้แล้ว เราจะไม่ค่อยเห็นผลอันประเสริฐถ้าอยากจะเห็นผลเราต้องทำบุญให้มากมีมากน้อยเท่าไหร่ก็ทำไปเก็บไว้เท่าที่จำเป็นศินก็ต้องรักษาให้ได้อย่างน้อยสินห้าก็ต้องรักษาให้ได้ทุกทุกวันแล้วก็รักษาศินแปดในวันพระวันธรรมมัสสวนณะถ้าเรา ทำบุญอย่างนี้รักษาศีลได้อย่างนี้เราก็จะมีเวลาภาวนาเราจะมีกำลังทาจิตใจของเราให้สงบให้เป็นสมาธิถ้าเราทาจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เพียงครั้งเดียวเราจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะได้รับความสุขที่เราไม่เคยได้รับมาก่อน เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เหนือกว่าความสุขของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ต่อให้ได้สมบัติมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะไม่มีความสุขจะไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำจิตใจให้สงบนี้เลยดังนั้นพวกเราจึงต้องพยายามทุ่มเทศรัทธาความเชื่อ แล้วทำบุญอย่างจริงจังทำอย่างเต็มที่รักษาศีลอย่างเต็มที่แล้วก็หาสถานที่สงบสมัธิปลีวิเวกทำภาวนาทำสมาธิภาวนาทำวิปัสสนาภาวนารับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงได้สัมผัสรับรู้ก็จะเป็นผลของพวกเราอย่างแน่นอน พอได้เห็นผลเพียงครั้งเดียวแล้วเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ให้กับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าราคาที่มีประโยชน์กับจิตใจของเรายิ่งกว่ามรรคผลนิพพานนี้เลยจึงขอให้พวกเราจงมีความมั่นใจมีความแน่วแน่มั่นคง ต่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามน้อมนําเอาคําสอนมาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นกําลังความสามารถของเรารับรองได้ว่าสักวันหนึ่งธรรมันประเส ร, ริฐที่พระพุทธเจ้าและพระาอารหันตสาวกทั้งหลายได้มีไว้เป็นสมบัติก็จะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแน่นอนการสแสดงก็